เริ่มพูตธรร ม, มานี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกําบนญุญใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียนโดยถ่าเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน ตรงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาสทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตาพอนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่าเก้าส้าเปอร์เซ็ เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็ เ, เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวื้อนอิเรนหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งคกรในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใด มีแต่เรื่องจิตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆพูดเรื่องประกอบความเปลี่ยนในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบาย ไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวุณเขาหากหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง อยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสงบแก่ผู้ใดและไม่เคยทำให้ผู้ใดสงบได้แม่น้อยหนึ่งนอกจากก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น ้วยเหตุนี้หัวใจแต่ละดวงละดวงจึงเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> นอกจากเหลือทนเท่านั้นจึงจะมาระบายออกส่วนที่ซุมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้ทุกรวงเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่สิ้นจิเรแล้วเท่านั้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปยุ่งกวนนอกนั้นแล้ว มีแตสิ่งเหล่านี้ยุ่งกวนตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้ใครจะไปอยู่ในสถานที่ใดว่าที่นั่นดีที่นี่จเจริญมันก็จเจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้จเจริญด้วยความสงบเย็นใ จ, จเจริญด้วยการวิ่งเต้นขวนขวาดีดดิ้นต่างๆด้วยอํานาจของสิ่งเหล่านี้มันผลักดันอยู่ตลอดเวลา ให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่ได้นี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่านำเรื่องนี้มาครุ้นมาคิดให้เสียเว ล, เวลาของขานบำเพ็ญเพราะสิ่งหนีน้เคยฝังอยู่ในหัวใจหมุนหัวใจให้เป็นเหมือนฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วควรจะอิ่มพอควรจะเกิดสลาบกับความหมุนของ ธรรมชาตินี้ที่ทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันบีบบังคับมันผลักดันให้คิดให้ปรุงนั่นแหละเพียงเรานั่งสงบสักครู่หนึ่งเราก็จะทราบว่าธรรมชาตินี้ผลักดันออกมาอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือสังขารความคิดความปรุงมีธรรมชาตินี่แหลท่านว่าอวิชชาปจิยาสร้างขารา ตัวมหมุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาเพราะหาผลประโยชน์แก่ตัวเองเราบวชมาในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยเป็นพระกรรมฐานด้วยแล้วยังจะติดจะพันจะคุ้นกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สมควรอย่างยิ่ง พึพากันเรื่องความภาคความเปลี่ยนตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้ให้หมดในวันเวลาหนึ่งหนึ่งอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่เรื่องอดัดเรื่องทำคิดตรุงเรื่องใดให้เป็นเรื่องอดัดเรื่องทำอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาควรใจจะหาความสงบเย็นใจไม่ได้ วันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีภุร้าที่อะไรมีแต่การประกอบความภาคเปลียนอย่างเดียวทําไมจิตจึงหาจะหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้มีอย่างหรอือถ้าทำเข้าตรงไหนแล้วความสงบร่มเย็นจะมีในตรงนั้นขณะเดียวกันถ้าคิดไปตรงไหนแล้วความวุ่นวายสายแสความทุกข์ความทรมานจะ เป็นทางเดินของมันอย่างโล่งไปหมดเลย <c oughs> เวลานี้เรามักจะเปิดทางให้กิเลสเหล่านี้เดินอย่างสะดวกสบายตลอดเวลา <c oughs> หาการหักข้ามไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานตั้งแต่วันเข้าพรรษาปกติก็อยู่ตามเรื่องท่าเรื่องขันกิจการงานเรากามากพันหนึ่งวันหนึ่ง หมู่เพื่อนก็มีเทปควรจะเปิดฟังฟังธรรมในเทปประกอบความเพียรไปในนั้นก็ยังได้สมัยก่อนไม่มีเทปแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาสมัยนี้มีเทปการเปิดฟังก็สะดวกควรจะประกอบ ความเพียรด้วยการฟังเทพและให้สังเกตด้วยดีการฝึกทรมานตนเองเรื่องอาหารปัจจัยต่างๆปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยดินฟ้าอากาศสถานที่นี่ก็พออยู่พอเป็นพอไปอาหารการโภคการขบฉันให้เป็นเรืร่องของเจ้าของเป็นผู้สังเกตปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะ คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสังเกตในการประกอบความเปลี่ยนมันเกี่ยวกับธาตุขันคือธาตุขันทับธาตุขันมีกำลังมักจะหมุนตัวราคาตันหาออกมาเสมอไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นักกิเลส ยาชินกับกิเลสเป็นอันขาดเรื่องกิเลสนี่คือวัดตะวลนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกระทะทอดสับโลกให้หมุนอยู่ในวงนี้ไปรับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้เราก็เห็นกระทะกับน้ำร้อนนั้นว่าเป็นของเพลิดของเพลินไปเสีย โดยมีเหยื่อล่อสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอให้ตกหลุมพรางของกิเลสแล้วก็ดีดกันไปดิน้นกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนั่นมีมากมนุษย์เราเราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทใดขอให้นำมาทดสอบตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่ง มือแจ้งมือแจ้งผ่านไปผ่านไปคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นและความแยบคายทางด้านปัญญาได้เกิดขึ้นอย่างไรกับเราหรือไม่ควรชิดให้มากอยาเคยชินกับพิเลสเคยพันเคยผูกพันหัวใจเรามาม า, มากต่อมากนานแสนนานและเคยทรมานเราให้รับความทุกข์มามากแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยอดด้วยธรรม อย่าเสียดายความอยากนี่เต็มอยู่ภายใน จ, ใจิตใจอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากคิดอยากอ่านมีแต่เรื่องความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้ทั้งนั้นแล้วเราก็เคยกับสิ่งตัวนี้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้รับความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือไม่ร้อยทั้งร้อยมีแต่ฟืนแต่ไฟเราก็ทราบอยู่แล้ว ความทุกข์ความฝืนความดีดความดิน้นทางความภาคเพียรเป็นเรื่องธรรมเป็นทางเดินของธรรมเพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปเราควรจะเข้มแข็งในความเพียรเหล่านี้ให้มากอย่าเสียดายอะไรตาเคยดูมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปั น, นี้หูจมูกลิ้นกายนี้เคยสัมผัสสัมพันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันกับ สิ่งภายนอกตลอดมาผลประโยชน์ได้อะไรก็มีแต่ผลประโยชน์ของกิเลสทั้งนั้นเราไม่เห็นได้อะไรถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังความกําจัดปัดเป่ามันออกไปจากจิตเสียเท่านั้นจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่มาอยู่นี่ก็นานประกอบความภาียนได้เรื่องได้ราวอะไรบ้าง มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหะโลกอันนี้เราอยากเข้าใจว่ายืดยาวนานหรือว่าสั้นมันมีมืดกับแจ้งนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดแจ้งมืดแจ้งวันคืนปีเดือนก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามความมืดความแจ้งนี้เท่านั้นแต่เราก็ตื่นวันปีเดือนไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะสร้างคุณงามความดีจึงเป็นการลำบาก ในการตะเกียบตะกาที่จะให้ดูดพ้นจากกิเลสอาสวะทักปวงถ้านักบวชเราไปไม่ได้แล้วนักบวชเราปฏิบัติตนไปไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปได้อย่างง่ายดายเพราะนักบวชนี้โอกาสอำนวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขายอมรับหมด ยังถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะ อ, อีกด้วยรางกายมีความเพียนมากมีความเด็ดเดี่ยวอาดหารทางหลักธรรมหลั ก, ลกวินัยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนหาเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันก็หมดหมดหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกทั้งหลายได้เพราะมาบวชนี้เรียกว่ามาเว้นแล้วในกิจการงานทางโลกทุกด้านทุกทาง มีแต่การบําเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็จะจมอยู่นี่ตลอดไปฟังว่าตลอดไปมีการยืดยาวนานเท่าไหร่เป็นอนันตการหากาหนดกดจเจยไม่ได้ที่กิเลสจะอิ่มพอในการถุดรากสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัตตานี้ไม่มีทางฟังตะวันตันหาตันหาหิห้มโหยตลอดเวลาความอิ่มพอของกิเลสไม่เคยมี นอกจากความอิ่มพอในธรรมทั้งนั้นมีเมื่อพอแล้วพอมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างทำเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไหร่ยิ่งดิดยิ่งดิ้นยิ่งกวนก歪 ย, ยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไป ไม่หยุดมายั่งก็คือเรื่องของเจตท่านจึงเรียกว่าตันหานัตติตันหาสมานาทีแม่น้ำจะใส่เสมอด้วยตันหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมาหาสมุทรทะเลหลวงให้เสมอตันหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันติ่นอยู่นี่เนะมันเลยไม่ได้เรื่องเรลาอะไรละเทวันนี้ เพรมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเทศจิตมันก้าวไม่ออกเทวนี้แหละเทศเทวนี้แหละไม่เอาเรื่องเอาเราวอะไรวันนี้เป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยผมเป็นห่วงมากเข้าทุกทีทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกองจักเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดา มีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้ ก, กันอยู่ทุกแห่งทุกหนคําว่าโลกมันจเจริญเจริญคําว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันจเจริญจริงๆและนับวันจ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คาว่าโลกจเจริญ น, นั้นเป็นความมุ่งหมายในะทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกจเจริญโลกจเจริญมันจเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันหลับตาดูกันปิดหูฟังกันอย่นั้นจ ะ, จ ะ, จะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันจเจริญ มันร้อนเป็นพื้นเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตันหามั้งมีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเลยนี่ที่ที่วิตกวิจารณ์มากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นกิเลส ต, ตีตลาดแหลกหมดแหลกหมดโอ้พูดแล้วสลดสองเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆ ร, รู้อยู่จริงๆนี่จใจว่าไงพระพุทธเจ้านําอะไรมาสอนโลกไม่นําสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนําสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงอ่ะ นีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นอยู่ให้เห็นประจับอยู่ในหัวใจหัวใจนี่เลยจะให้ว่ายจงไงทำไม่พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหมอยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรไมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่รูปกี่ลายหมุนติ่วในหัว ใ, ใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย กิเลสเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขออยำเอาสั่นโลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทํำยังไจงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่เลยลูกวเขาตีหัวรั่วเขาเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยง อันนี้มันไม่ถ้ารู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยง อ, อันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งยังว่าให้ทํำยังไงคนหนึ่งโงต่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้น่ะไม่ผิดกันอะไรละกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้ น, มนไม่มีใครถือว่ามาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยอเรา พูดทั้งหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยพรู้ภาษีภาษาบ้างก็จะรู้ได้ว่าว่ากิเลสเป็นภัยแต่นี้มันไม่รู้เลยจะทําังไงทั้งๆ ท, ที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนมุมภายในนั่นคืออะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่รู้มีแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสิ นี่ที่มันหน้าทุเรศเอามากมากนะเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมป่ากกันเฉยหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั่นนะไหนคนไหนเถอว่างนั้นถ้าลงกิเลส น, นี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนนี่เดชก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะไอเศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ คนทุกคนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจชาติชั้นวรรณะใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกทิเดศบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกว่านี้ไม่มีถ้าไม่ฟาดทิเดศมันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบบีบกลีบตัวกันได้แล้วฟาดมันให้หม้วนเสื อ, องไปสมนุนแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะ แต่ท่านไม่สนุกสิเห็นเป็นมีตรปร่งธรรมสังเวชเท่านั้นน่ะเห็นอยู่รู้อยู่แต่แก้ไม่ได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นีที่ที่สลดสังเวชคำว่าดูก็ว่าไม่มีอะไรปิดเนี่ยซึ่งว่าสนุกดูน่ปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลส ท, ทำลายสัตว์โลกทำลายมากน้อยกว้างแค่ขนาดไหนสามใจโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยําอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นน่ะ กำหนักกำเบากรรมหันตตโทษมหันต์ตทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นก็เพราะอํานาจของกิเลสนี่เป็นเป็นผู้พาให้เป็นไม่แช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กําลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่นี่อยากกันนั่นอยากอันนี่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือว่หรือไม่มันไม่ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็ อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทําอะไรก็ทํามีแต่ความอยากความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากนี่มันมาจากอะไรอะไรหนุนมันให้อยากอย่างนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อกี้เดี๋ยมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทานีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีเราจะอยากแล้วก็ไม่มีอะไรควนใจว่าง หมดแดนโล ก, กธาตุนี่ยาจะมีหรือไม่มีก็าตามมันว่างไปหมดจะว่างไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดวางไว้ไม่ให้ว่างอดีดดิด้นอยู่นี่แต่โลกมันไม่เห็นจะว่างไงนี่เทเชิงในอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบะขึ้นมาได้ยังไงอุบะขึ้นมาได้ยังไงอบรรดาสาวกทั้งหลายลลเราท่านๆมีก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนําสอนพอโดยรู้เรื่องรู้ราวบ้าง นั่นไม่มีใครสอนเลยนี่นี่สิเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามพูของพระพุทธเจ้าทุกทุกองเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อัศจรร์ไม่ได้อัศจรรย์ไม่ได้ ไ, มไดนะมอ๋อมันสลับซับซ้อนอจริงๆไม่ให้ดูให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยแหละเก่งขนาดนั้น่ะเห็นดูที่ความโกรธตาดําตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้เราเขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังสย แต่เรากโกรธเขานี่เอาตาดํำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาไปฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉบกันลักป้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายัางไงทําได้ทําเขาแต่เขาเราทําเราไม่ได้นั่น เป็นยังไงเรื่องของกิเลสเห็นแก่ตัวมากไหมเห็นแก่ได้มากไหมนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไีนี้มันไม่เห็นนั่นทีจะว่าไงไม่ว่าจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราหรือพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกนะมันก็ยิ่งสองชั้นสามชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมไม่ยอมใครง่ายนะมันก็มีท่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีก แล้วลคนทั้งโลกมามาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสในกิเลสก็ได้เปรียบอีกพูดไม่ได้เดีทดีกิเลส จ, จะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาโจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านเทศพูดเรื่องโทษของมันตรงไหนตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียหนิจะว่ายัางไงเพราะมันมากก็มากเอารุมเอารุมเอา นี่ที่ยิ่งน่าสลดสังเวชมองดูตาปิบ ป, ปิบแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังนี่จางทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พ่นาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไร่วรจะเป็นจะตายเท่าไรมันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกเปิดออกเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถโถลขึ้นอุทานในหัวใจนะทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไร กำแพงดรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้เนี่ยกำแพงของวัตจักรนี่คืออะไรและออกวิธีไหนกำแพงวัตจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาวิชาเดียวนั่นแหละนี่แหละกำแพงของวัตจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายง่ายมันครอบไว้หมดสามแดนโลกธาตุนี้ นีงเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราได้รอดออกมาได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้อยู่ให้จมอยู่กับมันมันไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชีดชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไห น, นเอา ไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทําลายกําแพงวัตถจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยมีเท่านั้นหมดแดนโลกทาตนี่ไม่มีอะไรทำลายกําแพงของวัตถจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นดิเลสกับธรรมจึงเป็นค่าสิกันกิเลสเป็นค่าสิของธรรมอย่างยิ่ง มันไม่รู้ให้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามคําดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็ดูนี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหรมันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่า ง, งมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไห้กี่เดียคนเข้าเสาะแสวงหาคุณงามคําดีเขาวัดเขาวาจําศีลฟังธรรมจเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมด พอกิเลสมันเฉียบขาดของมันมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตําหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายทำมากงมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กําลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือ ย, ยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งๆ ท, งที่เรื่องทำนี่นี่แหละที่จะทํำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือทเนี่ยมันก็หาว่า ง, งมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้ว ลบคมของธรรมลบเหลี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคําเขาตําหนิติเตียนนะที่จะไปวัดไปว่าไปฟังธรรมจำศีงก็ลรอบๆมองๆแอบๆซ่อนๆไปทีออกไปออกแบบสงา่าป่าเผยไม่ได้เพราะขี้เหรมันหัวเราะเยอะเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสรุดทางเวทจริง ๆ, ๆมันหนาแน่นขนาดนั้นนะกี้เหรของสัตว์โลก กำแพงของสันโลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั่นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรอมันไม่มีอะไรมาสร้างก <ül> ับกิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพงอันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่พวกกี่ข้ากี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกอืม ถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องพันธุนําออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาถให้คิดอิ่มพอนี้ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจําที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกําหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคําว่าสิ้นกําหนดหมุนเลื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ิที่มันน่าทุเรศเอามากนะ ตางคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเลวๆไหลายๆไปแล้วอของไม่มีสาระแก่นสารเห็นเสศษเป็นเศษเป็นเดนไปหมดกิเดสเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลําดับลาดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเรา แต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาว่าพระอรหังสมาธิมุธโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับอรหังสมาธิมุโทโธไม่จบไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงๆต่ออัตถธรรมแล้วทําไมอรหังยาวขนาดไหนจริงไม่จบมันจะจบไม่ได้เหนือ มันสวดมนต์ก็ไม่จบหนึ่งเวลานี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาหมุนกันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเนี่ยโลกมันกําลังเป็นอย่างนั้นเวลานี่แล้วมีใครมาพูดว่าวอกอยู่คนเดียวนี่เขาก็่ข่าว่าบ้าอีกขาว่างมงายอีกแล้วหาว่าตําหนีโลกอีกเราไม่ได้ตําหนีโลกเราตําหนีเรื่องความเป็นยิงของมันที่มันทําลายโลกต่างหากนี่นะโลกรอดเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราทําเราตําหนีตรงนี้น่ะโลกไม่ได้ทุ่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะ ความเดือดร้อนใครก็ตามเข้ามาหามีแต่เรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นว่าข้ามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีนี่ได้ไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้อันนี้จะไม่พูดบ้างได้เหรอขอเราเป็นคนแนะนําสั่งสอนเพื่อเพลื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรอือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพยบด้วยกองทุกข์เวลาเนี่ยโลก แล้วว่ามันมีความสูขความเจริญที่ตรงไหนมันเทียบด้วยความทุกต่างคนต่างดีต่างเดือดอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มองศาลเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์เรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณมาได้เลยนี่ที่มันน่าสลดต่างเรืจริงๆอเรื่องของเจเลต์แตมันจริงรก็ใช่ทุกอย่างทุกอย่างอันเดียเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของเจเลตม แล้เรื่องของธรรมนี่จะเลาะแยะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท่าก็ไม่ทำแล้วเรื่องของธรรมเนี่ ย, ย, ย ส, รรสิ่งที่จะฉุดลากจะของออกจากแดนนรกหรือแดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพามุ่นให้จมอยู่ในวัฏจักรนี้ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ่วติ่วเลยจะทันยังไงพิจารณาสิ แล้วก็ย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความดุจพน้นนี้มันก็จะสลบไปแล้วหรอมันไม่มีกําลังบางชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจ่ว่าอย่างไงดูเอาหัวใจเจ้าของกันสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังที่นักปฏิบตัติไม่พิจารณาบ้างได้เรื่องอะไร หรื อ, อว่าเห็นว่าพุทธศาสนาทำของวุ้ยเจ้าเป็นของเล่นไปแล้วหรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทําลายวัตจักรคือทำคําสอนของทำของพระพุทธเจ้าทำคําสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายกรงจักรของวัตจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทําลายที่ไหนทําลายที่หัวใจมันมาอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อทำโอรสได้ ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจักรจ้าไปแล้วม้วนเสือหมดตัวตัวไหนกิเลสตัวไหนหือนวัตถจากไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีต่อเวิง้ว ง, ว, ง, ว, ง, ว, งว้างเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นเช่นั้นทำไมจะไม่ชี้นิ้วลงได้ว่ามีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไผ่ต่อหัวใจดวงนี้นะ่ะมันกี้เด็ด มวนเสียลงไปแล้วตัวไหนมันเป็นภัยไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้เก็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนรับฟังรัฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมติอรูปเป็นสมมติเวทนาสัญญาสร้งขาม ญ, ญญามันก็เป็นสมมติเมื่อเป็นสมมติแล้วอันิี้จังทุกอยงน้าตา ม, มันก็ไปตามกันตามกันจิตที่บริสุทธิ์แลไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนรับฟังรัฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายจะตายแบบไหนก็ตาม พูดยันได้เล ย, เลยจะไม่มีเสียท่าเสียทีเพราะกิยาแห่งการตายนั้นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกระขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันบางองค์ก็จะไม่สงบจะดิดจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็าตาม จะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านนี่ก็าตามเรื่องขันมันดิ้นเพราะมันตัางหากิจที่บริสุทธิ์แล้วไปดิน้นหาอะไรนั่นมันก็เป็นคนรับฝั่งรละฝาอยู่นั่นเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นค่าสึกสาหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายๆเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่มันเพราะมันมันเป็นคนละระสวนแล้วนี่ ในธาตุในขันอันนี้ยนี่สมมุติคือธาตุขันนั่นนี้เป็นสมมุติรูปกายนี่ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนาสามนี่สุขทุกข์เฉยนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันตานั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตตวิมูลเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ ฐานาที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาตังขานวิญญาณมันกรมุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่ไ ม, ไม่ไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอาคีย า, ม, ยามารยาทมาเป็นเครื่องวดัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาการของขันมีต่างๆกันแม้แต่เราใส่ไ ฟ, ไฟเข้าสู่ฟืนกี่กองฟืนมีประเภทต่างๆกันจิตยา แห่งการไหม้ฟืนไม้ก็ภัยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการข้งมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื้อไฟไม่เหมือนกันนี่อานาจอย่างนี้บากกรรมมันมีมาอย่างไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้น ม, มีเป็นไปธรรมดา เพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมอย่ากล่าวเรื่องวิบากขันสมมุติเ น, นี่ยแล้วสิ่งเหล่า น, นี้มันก็ตามได้แค่ขัน น, นั้นันไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธ<ม>ิ์จะว่ายอย่างไงอายะสัตตเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่โตที่สุดใน แดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนี่เป็นโรงงานผิดท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทางนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกสมุทัยนิโรธมากไม่มีเลื่นในหัวใจของเราไม่ไม่นํามาใช้บ้างเหรือมารกษัตริย์ความคิดความดำหนีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรจนกระทั่งสมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างเหรือ มันมีตั้งแา่นั้นที่ราคาสารกตตาตตตาตาพิรันนีนีน่นั่นเหรอเอ่ยดังการศาสนาเพราะศาสนาอีู่พราศาสนานั่นเหรอมันมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทําไปไหนหมดผู้ปฏิบัติทำทําไมจริงหลวงมาอย่างจะเป็นจะตายมันไม่มีราคราคาารแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงกับจีเด่ดนั่นเหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วจีเด่ก็ดีทำก็ดี ผมงเดียกว่าอริยสัตว์เดสัตว์ทำของจริงของจริงยิงด้วยกันแต่ยิงไปคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรอเวาจะเอาตัวรอดก็เอาซ์ทามาเครื่องดับไฟมีอยู่นี่ถ้าไม่เอาซะต้งแต่บาดนี้จะเอาอะไรสิ่งเรานั้นเราเคยคุ้นเ้ากับมันมาก นานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทําไมไม่เข็ดไม่หลบับอันนี้ก็ไม่ใชกิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเข็ดหลับไม่มีนี่มีแต่ความติดพันไปเรื่อยๆนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งจะให้เป็นมตัวมาเหมือนช่างเหรอือนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นนหละดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความจดจางไรสีนเนี่ยทำมี่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทั้งนั้นแหะความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนั่นเห็นไหมซ้อนๆเงินเข้าไปอย่างนั้นน่ะ เขพูดแล้วมันสรดสังเวชจริงๆ น, นันี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะไม่ได้พูดแดบอุตรีนี่นะพูดอย่างจริงอย่างจังนี่มันรู้จริงๆ จ, จะให้ว่าอย่างไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้บางเวลามันรู้แล้วจะให้ว่าอย่างไงก็นํามาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่ที่สอนไปนี่ ก, ก็แล้วกันเอ้าวเราตายไปแล้วคําพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจหนึ่งจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจของเรานึ่ะ เเรื่องกลมกายาของยิเดศมันละเอียดแหลมคลมขนาดไหนเนี่ไม่แห่พัฒนาไม่จบนะนอืโน้นเวลามันเข้าวงในกันนุ่นมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินไปนะภาวนามายาปัญญาพูดง่ายๆเขาขั้นภาวนามายาปัญญาอาศัยจริงสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามายาปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาในนั้นที่นี่ ยึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี่เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจตรงอะไรบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกดนเตาไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เอง กิเลสเวลาเข้าไปละเอียดสักหน่มันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี่สิแล้วมาดูกับพวกเราเซเซอซ่าซ้าแต่นี้มันเข้ากันได้ไหมละ่ะไอ้ที่ไหนก็น เ, เตือนอยู่เสมอนิญามองเห็นพับสะดุดหดัดสะดุดตาแล้วฟังพับสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับ อาจกลับทเป็นฝ่ายของกิเลสจตั้งหมดทั้งหม ด, หมดนี่มีแต่เรื่องเสื้อเส้าซามันไม่ทันกันสิทำพุทธเจ้านี่สวดสดร้อนรอนะนี่แม้วัตตลาดแห่มั่งผลนิพพานคือาศาสนธรรมของพุทธเจ้านี่เอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าศัจธรองค์เอกนี่เชื่อธรรมที่ท่านสอนไวน้นี่สังฆังสนังกะฉามีเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแตน่สังฆังสนางกะฉามีแต่ก่อนว่าเราเป็นว่าเป็นสลา ข, ของเราให้เราเห็นเป็นสลาขขตัวเองสิ สังฆังสนังกระฉาษษษนี่คือใครคือเราเป็นผู้ทรงเสเองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้ม ล, ลุกคลุคลาอย่า ง, งนี้ก็มีแต่กีด ต, ตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้แพ้แพ้แพ้หมุนเรื่อยไม่ชอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นทิกแปลงเปลี่ยนแปลงห ล, ล, ลายสันทันคมที่จึงเรียกว่านักรคจึงเรียกว่านักสู้นี่เรียกว่าปัญญา นึงจะเอาแบบทื่อๆทื่อๆเซ่อๆนี่ไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปรงเปลี่ยนแปลงหลายสารพันคมหลายผนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถลอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผิดขึ้นมาเรื่อยผลิดขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดขึ้นมาแหละต่อยกิเลสไงลงไปไงลงไปเมื่อเห็นกิเลสไงายหนึ่งแล้วมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้เออกิเลสมันก็ไงได้เหมือนกันเหรือนึกว่ามีแต่มันเอาเราไงาย เราเอามันหงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วที่นี่ต่อสู้กันหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปจนอมาตั่งถึงเข้าสติปัญญาตัวนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองอะเ น, นี่ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วแล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าที่คลายออกวัตจักรวัตจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัตจิตทิ่เลียผูกมัดจิตใจของเรา ว่าอย่างแน่นปังเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ที่คลายออกแหรอที่นี่หมุนออกหมุนออกหมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทอะไนี้ก็หมุนออกชั้นนั่นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรืเเ่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรืเเ่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมาสติมหรราปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยอืมเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกังหัวใจของผู้รบกับกิเลส ประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติวต่วติ่วติ้วไปแล้วขาดตะ บ, บ้านทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นล่ะพระพุทธเจ้าทรงอุทานเฮอภาษาวกทั้งหลายอุทานเนี่ยนสุขขังมัตตาสุขขังมัตตาพระพุทธเจ้าทรงอุทานก็เหมือนกันอย่างจะแดงให้เบญจวคีทั้งห้าฟัง ญาณจาปัปนามตรัศดังอุตปาเดอกุปาเมวิมุตินญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัจฉริยะของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายามันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเราอนัตกีดานี้ปุนาโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นเพราะเป็นชาติแห่งนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทาน ช้อนเป็นจการขี่ทั้งห้านี่ว่าไงนั่นละ่ะพระพุทธเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศป้างป่างขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันในเห็นในหัวใจเจ้าขององทีการปฏิบัติธรรมพอทำสดสดร้อนร้อนจริงๆเหมือนกับกิเลสสดสร้อนนี่นะ่ะกิเลสความโลภความโกรธความหลง ส, สดสดร้อ น, ลอนตลอดเวลาไม่มีมคําว่าคือว่าร้สมัยการนั้นสมัยคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่า สู้อำนาจของกิเลสมาได้สันนัตเองเพราะฉะนั้นเลยต้องผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาดิ้ดขึ้นมาดิ้ดขึ้นมาสู้กันเรื่อยเรื่อยระหว่างทำกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจตรงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วที่นี่เขียนใบาตายให้กิเลสเป็นลําดับลาดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้ น, ะ น, นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยเรื่อยไเขียนใบตายให้มันเหมือนกับมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตาย คามุสาพยายามทุกด <True. S 1> ้านทุกทางตายหมดมิแต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาฟัดเอาเผาคุศลาธรรมาด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเรานี้เวลาถึงการเวลาแล้วก็คุตลาธรรมาของกิเลสตัวนี่เอาเอากิเลสให้มันอยู่อยู่ในเงื่อมมืออยู่ในเงื่อมมือเห็นั้ไมตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตต์หลุดพ้นก็ได้เกี่ยวอวิชชาปัญญาสร้างคาราดับเพิ่หมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าเออนั่นล่ะซากของกิเลสซากสุดท้าย อริชาตเตเวอร์เซสสวีดากาเนโรซาซังคารโลโทเป็นชาติสุดท้ายเอวเมตาสากีวารสะกดูกับข้างข้านีโรโทโฮติน่กดับหมดถึงเวลาดับแล้วเอานะเอาให้จริงให้จังนะสุดๆร้อนๆแท้ๆธรรมะเนี่ยนะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่บูดนั่นน่ะเหมือนน้าในบึงในบ่อนะจอกแหนันปกดคุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะ แล้วน้ำอยู่ในนั้นมีเทึกมากเท่าไรมันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดทะเลเวลานี่จอกแหนมันอยู่ข้างบนที่มีกิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกที่ด้วยความเพลี่ยนวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่ ง, ง, ง, งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำํำ <c oughs> จ้าขึ้นเลยเดียวนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มันกดมันด้วนเขาเรื่อยๆแล้วนะก็มาฐานเราผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทํำยังไงมันเป็นเองเดี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมท่านเนียนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้อ ง, ก, ก, ก, องกับหมู่จนได้ต้องเลยรับปฏิเสนฐานกัน แล้วมันก็เสียทำให้เสียเวล่เวลาไปอันนี้ผมคิดจนเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้มีแยกมีแยะของเราเวลาทำก็นกั่งทําหัวใจกับทำนี่ก็ไม่ถอยให้มีฝั่งมีฝาเอาไว้เสมออย่าเดหลวหลายๆให้มีเขตมีแดนนั่นนั่นเกีดเขานี่เขียดเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมอ อยากให้หมู่บ้านได้เห็นได้รู้จี่จังเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของกิจที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะจังยกตัวอย่างขึ้นมานคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียงไงเอ า, เอ า, เอาให้เห็นในหมดเปิดห้านาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้น ในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นุ่นล่ะนรกอเร้เบจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ตัทั่วไปที่ได้สวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกคนไม่มีว่างนะนี่ให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดเกิบอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นพื้นลงไปเรื่อยเรื่อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีกห้านาทีพอปิดเกิบเท่านั้นอ่าได้หมดเวลาแล้วปิดเกิบเท่านั้นที่นี่ ยังไงก็เรื่องความเพียรนี้เอาเอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้งสองอย่างถึงใจทั้งสองอย่างแล้วฝ่ายชั่วกันละโรคอวจีเป็นสําคัญฝ่ายดีก็นิพานเป็นสําคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีจะจบกันอะไระมันไปเห็นมาจังจังนี่แล้วความเพียรนี่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นน่ละเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ่มยื่งย่องให้เห็นนู่กก็คือนิพานเห็นแคดชัดอยู่นี่เป็นยังไง แล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังพั ง, พงกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นนั่นเมื่อทําถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบําเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำเข้าถึงใจถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี่ได้หมุนตัวติวติวเป็นหลักธรรมเป็นอัตโนมัติเป็ น, เ ป, นเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่ <c oughs> มีแต่ตายทั้งนั้นน่ะ ขั้นประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่เก่าเหล่านี้มันมันกล้าเข้าไปสู่ขั้นอนาคาเหอกล้าถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติวติวติ่วมีแต่พุ่งพุ่งพุ่งทะลุปึงหั่นทีนี้มองย้อนหลังทีนี้เรื่องความเป็นน้องเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลูกคุกคลานมือดํากําตาําความเพียนกำง่งห้ามต่วมเตรี่ยม แล้วกับเวลานี้เป็นยังไงนี่นนี่นี่มองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจก็ไปก็ทําเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลวยิ่งกวสัตว์อีกเลยง่วงงามตุมเตรี่ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำพร้เจ้าไม่ใช่ทามืดบอดนี่นะทํากระจ่างจิงเรียกว่าโลกรวิโลกรวิทูทำสว่างจ้าอาโลกรุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นะ ไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะไปทำแบบมืนมืดบอดบอดรูปดำกำตาอยู่เฉยได้เหรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถอะเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์น่ะทำทำไมเราทำให้เราทุกข์เราทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันกีดมันขวางนั่นฝ้ามันลงไปตรงนั้นนั่นแหะกิเลสมันแทรกอยู่นั้นเราไม่เห็นนั่นสิทำอะไรอะไรก็ลำบากลำบนลำบากบนตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือคือกิเลสเราไม่ดูจะว่าไง เอเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดแล้วสิมันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอเมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วมันมีแต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเท่านั้นนั่นเท่าล่ะพออ๋ออันที่แรกมันไม่ได้เรื่องละหมาควรอะไรควรมันไปไม่ไปไม่ได้ละเวลาเทศขั้งที่สองอยู่ไม่มีอะไรควนคอยตา ว่าจะไม่เทียบจะจะซ้ำไปหนีว่าอะไรมั น, นหมดทุกอย่างแล้วกำลังใจก็หมดตะกอนป่าหาไรงย์ก็ยากที่ไหนก็ยากมหาจากรวันนี้ป่าหาที่จะภาวนาก็จะไม่มีถัดเข้ามาถัดเข้ามาไปที่ไหนก็ตัง้งเลยมีจุดมีตะกอนไม่มีจุดหมายปลาทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้น ก็มีอยู่คืเขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาฤาษีพระอยู่ในป่าในเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมจะไิบจบข้าวคือแล่นนี้สักสองสามปีย้อนหลังคือเขาไล่พระออกมาจากป่าเมื่อจะให้หมดจิตนี้ศาสนาจะหมดแล้วเหลืออยู่ ถ้าลงไล่เ้ามาจากฝ่าแล้วหมดศาสนามีแต่ตำราเท่านั้นหมดความหมายจะเอาทำตำรากันอย่างนี้เหลือวะเอาแผนบ้างล่ะผมใส่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลงเทีคงจะไปเตือนกันค่ามีถึงจพลิกมาภาพพ้ดใหม่มาผมเอาจริงเหมือนกับว่าพิกพระเจ้าิงๆ จไม่มีอะไรเหลือแล้ว่เ น, นมักฝมีฟ้าผู้สรงมักฝนจะหมดแต่ฟ้าฟ้กันเลยถ้าลงได้ฟ้าจากป่าเรา <c ười> เคลื่อนทั้มาจากไหนสิวะเพราะว่ า, วา ม, มันแล้วเรา <c ười> ได้ภ้าออกจากป่าจากเขาเหนืความโลภเห็นไหมอ่ะมันไม่ใช่ที่จะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยได้ฟ้าจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาย้่ยภาเห็นกลัวภาพจะ ว่าอย่างนั้ น, นอย่างนี้เยอะที่นี่พิจงก็มากเลยอันนี้ก็คือเือสิผมน่ะพิจงมากจริงถ้าป่าหมดเมื่อไรเกือขึ้นน่ยมันใสเรานี่ขึ้นได้แขงทุกแห่งแต่แร่งก็เร่งทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วนะอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เกลือมันอยู่ใต้ พอแห้งข o sea, ้างบนนี้เกลือก็ขึ้นขึ้นขพอเกลือขึ้นนี้ทําอะไรไม่ได้หรอกช่วงไรช่วงนา้เรามีอย่างนี้ก็พราะมีน้ําไหลผ่านมาอยู่เรื่อยน้ําก็พราะมีมีป่าใช่ไม่มีป่าน้ํามันก็ไม่มีไม่มีหลายๆฝ่ายมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดหรอกว่าไงเขาทํานาเกลือนะเกลือที่ไหนก็ทําได้หมดเพราะไม่อนนเี่ยเกลือ ถ้าไม่สมวนป่าว่านว่าเป็นที่ชุ่มจย็งให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงแผ่นดินไปเกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำเลเห็นไหมเจาะในวัดเราเนี่ยไปโดนคูเขาเกลือดต้ดินคือชื่อว่าป่าว่างมากกว่าความสะดวกของพระเรา กำมาชำกำมาฐ า, า, านฉันเงินเอะมากทั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายอย่างนี้ผมก็จะซื้อให้หมดถ้าเป็นป่าจำยมซื้อไว้เป็นป่าจำยมนี่เห็นไหมงามถึงไม่มีจะชำได้ชำง่ายจะก่อนไม่เคยมีนะเห็นไหแต่ตรงนั้นอยู่นี่มันท่วมท่วมมองไปทุ่ ง, งานาข่าวเพียบเยอะนี่พอป่าหมดแล้วเป็นไง อย่างนี้เ น, น่านาาาานเขาเห็นประจันอย่างนี้ว่าไงมันจะทําะไรทำนาก็จะไม่ได้ทําแห้งผาแห้งผานี่เขาเขาได้เห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฝั่งฝั่งแม่ลำคงเขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นมาจักรฝนตกมองเห็นเม็ดฝนอยู่้างฝั่งนั้นนะจะไม่ไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ ข้าข้าข้าจก็มันเป็นลมทั้งหมดอ่างั้นนจบดีแล้วเกินันว่าอย่างนี้มีจจะอยู่ใกล้มันก็ลมที่ลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้างมนกลางก็อย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่ามดก็มดเข้ามังไทยเราจะไม่มีป่าหรอก จะเป็นทะเลเกลืออเพราจะเป็นทะเลเกลือแล้วเก่งของาทะเลทรายอีกนะมีว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายเตือกทรายตายอะไรเป็นทะเลเกลือว่ะเราค้านได้กันจริงะเรือจะขึ้นอย่ทันทีเลยมันมีอยู่ท้กเห็นทุกเห็นเห็นไหมกันไม้อยู่ตามข่องนาำปลากุูดปลาด้วเข้ามาอะไรเห็นมั้ยนั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่านั้นรากไม้ที่มันยั่งลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วตายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้น ทามช่องน้งเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นเนี่ปยปลายกุดปลายด้วนทั้งหมดแล้วนะมัน ม, มันไม่ได้ขึ้นอ่ะมิจจะตายไปเรื่อยตามช่องน้ำนย่าต้นยางอยู่ฝั่งนี้กับฝั่งกลางฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้จะ้องเห็นไหมปลายกุดไปลายด้วนมาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างคืเกลือขึ้นแนะล้วลางไม้ไปโดนเกลือเขา้าตายแล้ว ถ้ม่รีเลยนตัวจังหวัด น, นี้แล้วมังไทยจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินเกลือตัวสำคัญมากก่อนจังหวัดทะเลทรายเจาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลแต่ว่าเกลือนั้นเห็นด้วยผมขึ้นขาวเปี ย, ยอยู่ใต้ดินเรามีที่ไหนเจาะที่ไหนมีเกลือ น, น้ำมันี้กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกือนเองเจาะที่ไหนก็กินไม่กินไม่ได้ ก็รูกันอยู่แล้วเหมือนกันเกลือเต็มทผ่นดินมึงจะปล่อยให้น้ําหมดไปก็สดเส็จท่าหรอมึงยิ่งจบมากมึงอเรื่องเกลือมีเขาพูพดปากพวกลูกศิษย์ก็ไปแล้วนี่วันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีให้มี ภูเขาใครจะไปแตะต้องคือเขาอยู่ทําอยู่ทํำกินแล้วกันเขาทำไปส่วนไหนกินพอเป็นป่ากันนั้นมีอยู่มันจะพอฟัดพอเหยียงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงแล้วหมดจริงๆล่ะแต่งหน้ามันเย็นตั้งหายก่อนแล้วก็เลิกละมันพูดก็มากแล้วเหนื่อยแล้ว